ขอให้บรรลุถึงนิพพานเถินคือไม่เป็นอะไรมันถึงที่สุดคนเดินคนเดินทางต้องถึงจุดหมายปลายทางบ้านก็ถึงบ้านไปทำงานก็ถึงที่ทำงานจิตใจของเราก็มีที่ถึงที่ถึงของกิจคือไม่เป็นอะไรไม่มีอันจะทาอีกแล้วแต่ทาอยู่แต่ไม่เป็นอะไรไหนผิดก็ไม่เป็นไรกัความผิดกระผถูกก็ไม่เป็นไรกระผมถูก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 ถ้ามีความรู้สึกตัวเหมือนนายทวารบานถ้าไม่มีความรู้สึกตัวก็ไม่มีผู้พก้ประตูเข้าออกได้จ้อมปลอดภัยก็ไม่น้อยปฏิสมัญญะนี่เป็นประตูเปนนายประตูคี่ปลอดภัยทำให้ไม่เกิดการเสียหายดีแต่ว่าก็มีภัยนะ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 ก็ไม่เป็นอะไรคือเป็นหนึ่งเดียวแต่การภาวะที่เป็นอยู่ไม่ใช่หนึ่งเดียวหลายหลายเรื่องสองสอนเราจึงต้องฝึกตผลตนเองให้มีศิลปะศิลปะของชีวิตเนี่ยไม่เหมือนศิลปะการศึกษาของโลกโลกความไม่ทุกข์ก็เป็นศิลปะความไม่หล ง, งก็เป็นศิลปะความไม่วิตกกังวลเศร้โมวก็เป็นศิลปะศิลปะอันนี้งดงาม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 ก็โกหกผิดการงานใดก็ถูกเพราะมันมีหลักเพราะมถูกต้องมั้นก่อนมีความรู้ตอนไม่มีความรู้ทำอะไรก็ผิดพลาดก็ ม, มีความรู้ทำอะไรก็แม่นยาชัดเจนมองออกทะลุทะลวงดีถ้สถึงกุดหมายปลายทางและมันเป็นเฉยภูมิที่มองเห็นได้เหมือนเราอยู่ที่สูงมองลงที่ต่ำ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 เอาสติสมปจนญมาเป็นหน้าโลกไม่หลงเป็นคุณธรรมไม่ใช่เป็นรูปแบบสมมติปัญญาต์ไม่ใช่เป็นปรมัาสักะเราลู้เป็นปรมัติเราหลงเป็นสมมติเราทุกข์เป็นสมมติเราลู้เป็นปรมัตารเ็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นปรมัตามันทุกข์เป็นผู้ทุกข์เป็นสมมติไปสมมตินี่มันร้ายมาก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 เห็นจิงประกอบที่กเกิดกับลูกผมนามมากหาย ก, ายกากองก็หลายอย่างอันเดียวจิตอันเดีย ว, วอย่างคนมีคนถามหลวงพ่อว่าเวลาป่วยเป็นยังไงก็อันเดียวหายป่วยเป็นยังไงก็อันเดียวจิตอันเดียวหายป่วยก็ดีใจไม่ใช่ป่วยก็ทุกข์ใจเวลาป่วยก็ทุกข์ใจไม่ใช่เวลาน้อนก็ทุกข์ใจเวลาเย็นก็สุขใจไม่ใช่ เวลาหิวก็ทุกข์ใจเวลาเยี่ยมก็สุขใจไม่ใช่ใจนี้มันแปนเดียวคือไม่เป็นอะไรเออือความไม่เป็นอะไรของกิจชีวิตของเรนี้มันมั่นคงจึงเป็นความไม่เกิดไม่เจ็ไม่เจบมาตา ย, ยตรงนี้ให้เราใส่ใจให้เรามองกลับมาแบบนี้อย่าทิ้งตรงไห้อย่าทิ้งฐานชีวิตเราก็มีฐานบ้านเราก็มีฐานอย่าทิ้งหลักทิ้งแหลงอย่าทิ้งหลักฐาน เพื่อประกันชีวิตประกันสังคมความประกันของโลกคือหลักฐานตรงเนี้ามไม่เป็นอะไรเป็นหลักฐานชีวิตประกันกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายด้ยทุกกรดีความจุกโง่ทุกโกรธทำได้นี่คือชีวิตที่เป็นศิลปะของการเจริญสติไม่ใช่เราจะงง ง, งสาวสาวมันเป็นศิลปะจริงๆมันยอดเยี่ยม จากพระลงบาลังเราก็จนปัดมือไปเลยไม่มีไม่เป็นอะไรไปเลยเราเสร็จแล้วปะ่ะแปลว่าเสร็จสับมันจบมันเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วเหมือนพระวุทธเจ้าว่าชาติสิ้นแล้วภวมจันท์อยู่จบแล้วคิดตื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วอย่างนี้คิดเหล่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ตะคบุบตะกับจับน่นจับนี้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 ไม่ใช่ชาติภาษาเป็นชีวิตเหมือนกันหมดควมไม่มีไม่เป็นอะไรเป็นอันเดียวกันแต่ความเมยความเป็นต่างกันไปตรงวิบาตัต่างกันแต่เพราะไม่เป็นอะไรเป็นปมรมา จ, จัจะความเป็นจริงไม่เปลี่ยนแปลงเราจึงศึกษาเราจึงปฏิบัติปฏิบัติคือเปลี่ยนได้ให้มันดี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 เราหัดไปไปก็ง่ายแต่บว่าง่ายที่จะรู้กานหัดมันง่ายทำไมรู้ถ้าไม่หัดมันไม่เป็นจะไปจำมอาไปได้นะนี่ก็คือการเพื่อจะดียินได้ฟังเอาไว้จะได้เอาไปทำดูสอนตัวเราบ้าช่วยคนอื่นบ้างไปพร้องๆกันแล้วก็เห็นคนอื่นหลงเราก็เห็นคนอื่นโกรธเราก็เห็น